มีผู้ที่จะมาตรัสรู้ตามมีความเห็นอย่างเดียวกันก็ยากมากยากเป็นสามเท่ากว่าจะมีสามคำนี้ปรากฏขึ้นในโลกมีความยากมากบุคคลที่เขาได้ยินสามคำนี้ในสมัยแรกๆนี่ก็มีความซาบซ่านมีขนลุกมีความดีใจซึ่งสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจเห็นปานนี้ได้เกิดมีขึ้นแล้วเสลระพราหม์ ได้ยินคำว่าพุทโธนี่เขต้องถามย้ำถึงสามครั้งว่ามันใช่พุทโธจริงเหรอพุทโธเนี่ยนะพุทโธแน่ใจหรือเปล่าถามย้ำสามครั้งเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งนี้มีเกิดขึ้นแล้วจริงหรือพระเจ้าปุกุสาติได้ยินคำว่าพุทโธธรรมโมสังโเก็บตัวอยู่สิบห้าวันใกล้กลวนพิจารณาดูว่ามันใช่เหรอมันแน่หรือเปล่านททมมเนี่ยพุทโธธรรมโสังเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วหรือ เก็บตัวอยู่15วันคนที่เขามีความกลัว จ, จะอยู่ป่าอยู่เขามีความกลัวคนลุกสู้เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็ระลึกถึงพุทโทธัมโมสังโฆ น, นี่แหละเพื่อที่จะคลายความกลัวให้มีความมั่นใจในเวลาที่มีการรบกันเกิดขึ้นจะเป็นทหารรบกันหรือว่ากองกำลังใดกองกำลังหนึ่งก็รบกัน ถ้าเจอคู่ต่อสู้แล้วเมืองดีมันอาจจะกลัวมีความกลัวมีความพรั่นปรึงวาดวันครั้นคร้ามเขาก็มองดูยอดธงของหัวหน้าของเขาถ้าหัวหน้ายังรบอยู่ยังสู้อยู่มองเห็นยอดธงหรือธงชัยเฉลิมพลที่เป็นขวัญกำลังใจของทหารนั่นก็ยังมีกำลังใจกันอยู่แต่ว่าหัวหน้ากองกาลังนั้น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 เป็นที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ ส, สด้วยปัญญาชัดเจนนั่นแหละจะทำความเกษมทำความหวาดวันพรั่นพรึงครั่นครามที่จะเกิดจากราคะโทสะโมหะเวลามีอะไรมากระทบจะเกิดราคะโทสะโมหะ แตาไม่มีความกลัวคลั่นคร้ามมันจะไม่เกิดเพราะรู้อริยสัจสีด้วยปัญญาทำไมถึงรู้ได้ก็มีพระบุตรประธรรมประสงค์นี่แหละเป็นตีพึ่งพึ่งอย่างนี้ไม่ใช่หยึดแต่ให้เป็นที่เกาะเพื่อทีจะข้ามไปข้ามกระแสของตัณหาต่อสู้ฝ่าฟันกับเจ้ากิเลสเบิดเจ้าอาวิชชานั้นออกโดยอํานาจของธรรมะอันประปู่มีประปา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 ไม่ใช่ภาระที่เราจะต้องมาแบกเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะขวนขวายเอามาเข้าเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราแบกรับภาระพระเจ้าประสงค์ schauen, รับภาระพระศาสนาอันนี้ก็ไม่ใช่เรียกภาระรเรากแต่รวังอันนี้เข้าใจไม่ถูกหรือถ้าเราคิดว่าเรายึดพัะพุทธพระธรรมประสงค์ยึดเอามาเป็นที่พึ่งอันนี้ก็ใช้ศัพท์ไม่ถูกเพราะว่ายึดเอามาเป็นของตัวเองแต่ถ้าพึ่ง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 แสิ่งนั้นก็ยังเป็นหนังสืออยู่ดีมันก็ไม่ใช่ธรรมโมหรือความรู้ความเรียนอย่างในอย่างหนึ่งที่เรารู้มาเรียนมาจากในพระไตรปิฎกหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอามาเก็บไว้เป็นความจําอยู่ในหัวของเราความจําที่เราทรงจําอยู่ในความจําในหัวสมองของเราเระลึกได้คิดถึงได้จําได้อันนั้นก็ยังไม่เรียกธรรมโมหรอกตมุฟังเพราะว่านั้นมันเรียกว่าความจำไม่ใช่เรียกว่าความรู้ไม่ใช่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 ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือธรรมโมเวลาที่เราเอาธรรมะมาทรงไว้ในใจนั่นชื่อว่าคุณมีการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเนี่ยคือสังโคเนม่บางคนคิดว่าเอาคนมาควรผมออกเอาผ้าเหลืองมาคลุมตัวไว้ถือบาทด้วยจะได้ดู ง, งามๆนิดนึงเราบอกนี่เรียกว่างรงแต่นั่นก็อาจจะทำให้เราระลึกถึงทงได้อยู่แต่ทงนั้นคือหมู่แห่งผู้ฟังคาสอน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 ตามอริยมรตมีองค์แปดเกิดการปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดเป็นไปตามทางทางนี้กระแสนี้ไปสู่นิพพานในบังไปสู่ทางที่จะคลายความยึดถือไม่ยึดถือเอาไว้เป็นทางที่จะทวนกระแสของเจ้าปัญหาทวนกระแสของเจ้ากิเลสเวลาทวนกระแสเนี่บางทีมันก็มีความโลดโผนบ้างบางทีมันก็มีความโชคโชนบา้างตามธรรมดาละ่ะ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 การจะมาระลึกถึงพุทโธธรรมโอสังโคนี้นนไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่หิ่งพระไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกหรือไม่ได้อยู่ที่ภิกษุภิกษุอาจจะมีก็ได้แต่ก็เป็นพุทโธธรรมโอสังโคของท่านอยู่ในใจของท่านแต่การที่เราจะมีพุทโธธรรมโมสังโคอยู่ในใจของเราคือการที่เมื่อเราระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ตามอ่านหนังสือก็ตาม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 ทำงานในออฟฟิศที่ทํางานเป็นนักเรียนหรือไม่ได้ทำอาชีพใดๆอยู่บ้านเฉยๆก็ตามใจใจ ท, ที่ทรงธรรมะไว้ในใจนั้นก็เป็นการปฏิบัติดีเป็นการปฏิบัติชอบเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนบุคคลที่เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพุทธะแต่เราเอาธรรมะนะมาทรงไว้ในใจเป็นหมู่เดียวกันกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว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 เมื่อฤกษ์ตายวันที่นั่นแต่าฟังที่นั่นมีพุโทโธธรรมโมสังโฆเกิดขึ้นรังแรกที่นั่นเกิดขึ้นแล้วนะโอ้โหมันวันไวไปทั่วโลกกระ t h a นี่เลยวันไวสั่นสะทานสะเทือนเนี่จนกระทั่งถึงนรกถึงสวรรค์เทวดาต่างๆนี่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันไปหมดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่ไม่ใช่วันไวหวาดกลัวพระอํานาจของ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 สมาทานไตรสรนคมกันกี่รอบแล้วบางคนไปวัดวันพระจะทําทุกวันพระเลยก่อนทําพิธีกา ร, รอะไรกับพุทธทังสันนังกชามิเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสําคัญของพุทธโธธรมโมสังโฆนี้ได้เอาเข้าสู่ใจท่านผู้ฟังเอาเข้าสู่ใจไม่ใช่อยู่ที่ปากอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่หนังสือสวดมนต์ไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธ ร, รูปแต่จะสร้างหรือจะทําลาย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 เป็นสุปฏิปันโนเราจะมีความรู้เลยมีพุทธโธเกิดขึ้นเราจะถึงความมั่นใจความลงใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรันต์สัมมาสัมพุทธะระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วคือเป็นสวัสขาตะประสงค์เป็นสุปฏิปันนะคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติีแล้วเป็นพุทธโธ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 าการตายแทนอย่างนี้มันดึงจะดีสิ่งที่จะทำให้ราคาโทสะโมหะมันตายไปได้นั่นคือพุทธโธธรรมโมสังโคเราตายแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยพระพุทธเาบอกไว้ให้ทํานฟังแต่ถ้าบอกว่าเราจะตายจะตายแล้วมันจะรู้อริยสัจสีนี่ถูกเข้าเสียบด้วยหอกวันละส0 0ร้อยเล่มเป็นเวลาร้อยปีหลังจากนั้นตายด้วย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 ไหนไมันจะตายแล้วชาตินี้ให้กิเลสมันตายไปด้วยเราจะทําให้กิเลสราคะาโทสะโมหะออกไปไกลจากใจของเราเราจะไม่ไปตามกระแสของมันได้เราเกาะให้ดีเราพึ่งให้ถูกเราระลึกถึงให้ชอบภูเขาต้นไม้ป่าศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลใดๆนั่นจะไม่ใช่ที่พึ่งเงินกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึงเงินอุดมแต่บุคคลใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 นั่นคือสวักขาโตภคกวตาโตโมเราจะมีความมั่นใจเลยว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆนั่นคือสุปฏิปันโนภคกว โ, โตสาวะกสังโขให้ถึงความมั่นใจเถิดท่านผู้ฟังเราเกิดมาชาติหนึ่งในครั้งนี้แล้วมีสาสนาเป็นที่พึ่งอยู่แล้วให้เข้าถึงใจทถิดผู้ฟังให้ใจเราเป็นอย่างนี้เราจะพ้นไปจากทุกได้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 สังโคที่เป็นอัครสาวกแปดสิบรูปมีความรู้ความสามารถมากท่านเหล่านั้นก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่พิกษุรุ่นน้องๆความสามารถก็มีบ้างก็ยังมีอยู่หรืออยู่แค่นี้แล้วช่องนี้มันค่อยเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังโอกาสยังพอมีอยู่ที่เราจะทำราคะโทสะโมหะให้สิ้นไปได้